ตุลาคมพุทธศักราช2559เมื่อวานหลวงพ่อไปภูผาแดงเมื่อวานนีไปกราบคารวะหลวงปู่ีลีพระในพรรษาหลวงพ่อไม่ได้ไปหลวงพ่อก็หาจังหวะอีกอย่างหนึ่งสุขภาพหลวงพ่อและคงความชัทธายาิโยมก็มาเ ก, กี่ยวข้องก็มากหลวงพ่อก็เลยไม่ได้ไป แต่ออกพันจวนจวนออกพันสามเมื่อวานเนี่ยเลยถามไถ่ายว่าหลวงปู่จู่วัดไหมหลวงปู่ อ, ออกรับแขกเวลาเท่าไหร่ก็ได้ทราบข่าวว่าประมาณบ่ายสองโมงที่หลวงปู่ออกเพรนหลวงพ่อยังได้ออกจากวัดไปเมื่อวานประมาณสัก11บเอ็ดโมกว่าๆเพื่อไปทํากุระน้อยนึง จากนั้นหลวงพ่อก็เดินทางไปไปพึงภูผาแดงไปก็นั่งรอประมาณสักไม่ถึง10นาทีมั้งพระก็เข้าไปให้ไปการาบคารวะหลวงเพาะหลวงพ่อเอาอพระในวัดไปหองค์แลัคโยมไป3รวมทั้งโซโฟเฟอร์ด้วยรวมแล้วเป็น9 9ชีวิตนั่งรถตู้ไป พอไปแล้วก็เข้าไปกราบคารวะท่านท่านรูรูแล้วก็ท่านสมบูรณ์นะหลวงปู่อายุเก้าสิบห้าปีมาที่นะเก้าสิบสี่ปีเต็มเมื่อวันเดือนสิบแผ่นนะวันบุญข้าวฉลากกระพัดเน่นะเก้าสบสี่ปีเต็มหลวงปู่หลีกุศลทะโลภูผ้าแดงแต่ในอายุของท่าน 9, เก้า็ไปเกนะ้าสิบห้าแล้วสองออาทิตย์มัง่ง แล้วเราก็ได้เข้าไปแล้วก็ไปกราบทําวัดท่านก่อนที่จะทําวัดก็ได้กราบถวายใบปรณาแผ่นใหญ่ที่เราพิมพ์และเขียนเอาไว้บอกว่ากระผมคณะสงฆ์คณะวัดป่านาะคนําน้วณคณะสธาญาติโยมทุกโม่เราที่ถวายเจตุปัจจัยผ่านทางวัดมาทางวัดก็ได้รวบรวมเจตุปัจจัยมาร่วมสร้างเจดีย์ของ มาร่วมสร้างเจดีย์กับหลวงปูนะ่น้าภูพผาแดงครับผมเ ป, นนเป็นจำนวนเป็นจานวนเงินห้าแสนบาทเมื่อวานนี้นะแล้วก็พวกเราวัดของเราได้ร่วมสมทบต่างกลัมต่างวาระที่ถวายหลวงปู่ทีละห้าแสนบ้างสี่แสนบ้างรวมกันแล้วเป็นเงินประมาณสี่ล้านห้านะคณะทาทยญาติโยมลูกหลาน เงินวัดของเราได้ไปสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์สร้างเจดีย์วัดหลวงปู่ลีน่ะถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่น้อยเพราะนั้นบางคนเขาบอกว่าหลวงพ่ออินไม่เคารพหลวงปู่ลีนะแต่ลวงพ่อว่านะหลวงพ่อเคารพนะไม่เคารพใดใดเพราะเป็นพี่ชายของหลวงพ่อทั้งหลวงปู่บุญมีหลวงปู่ลีหลวงปู่บุญมีหลวงพ่อไปเข้ากนก็ตไหวท่าน ครั้งหน 0,000 ้อีกครั้งหนึ่ง0 0ึ่ 1, 000, เป็น 0,000 นแล้วที่ร่วมสร้างเจดีกับท่านนะแต่หลวงปู่ลีเราอยู่ใกล้แต่เราถ้าเร า, เราได้ไปหลวงปู่บุญมีอีกเราก็คงจะเอาสมไปสมทบอีกเหมือนกันนะแต่ในหู้อยู่ไกลเหลือเกินในภรษาไปกลับก็คงไม่สะดวกผงตั้งท่าต่างทางไปพอแรงแล้วก็เสี่ยงอีกต่างหากเพราะหน้าฝนถนนทุนทางก็รื่นเราก็ไม่อยากจะให้มีอุปสรรคในการเดินทางฮ อันนี้นเราก็ได้ถวายหลวงปู่หลีเมื่อวานนี้อีกห 0,000 นแล้วก็วัดของเราเมื่อวานนี้ก็ได้ไม่ใช่แต่ถวายหลวงปู่นะเราทําสร้างศาลาพระวัดสาขาของเราวัดทันเจ้ยวัดทันเรืองวัดทันทวีปทำหลางน้ําให้ให้วัดอีกนะแล้วก็โรงเรียนบ้านหัวช้างอีก รวมแล้วเป็นหมื่นสองหมื่นบาทโรงเรียนหัอช่างนะที่มันยังขาดตะก่อนเทาให้ข่าวก่อนไปสองแสนนะให้ตกแต่งทําเพดานทําไฟพัดลมทาสีนะอาคารไม้เดีเขามาขอแล้วห้ไปสองแสนไม่พอเนะีท่านหน่อยบอกมาเพิ่มเขาอีกประมาณเกือบสองหมื่หลวงพ่อก็ให้ไปพร้อมกันเลยท่านทางรางน้ําด้วยท่านหน่อยมารับเมื่อวานนะี้ 1สนดรวมกันละเมื่อวานเนี่ยกูแตกมันกันนะคณธธาจาทยญาติโยมลูกหลานนะหมดไป ป, ดปัดใจวัดของเราถวายทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนานะสงเคราะห์พี่น้องประชาชนหมดไป 680,000 ดกว่าบาทเมื่อวานเนี่ยนะหกแส0 0กว่านะเนี่ยแหละพระตาหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังลูกหลานเขาคงจะ เออจะตุปัจจัยที่หลวงพ่อได้มาเนะ่ยหลวงพ่อใช้จ่ายไปยังไงเนอะเนี่ย เ, เห็นเขาเข้ามาอยู่นะนี่แหละการได้มาและการออกไปถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังลูกหลานเขาคงจับสงสัยในใจผู้สงสัยนะจึงได้บอกกล่าวให้ลูกหลานทุกองพระลูกหลานทุกองได้ทราบด้วยนะรวมกันแล้วนะ่ยเมื่อวานเราจ่ายเงินไป 6 8 0 0 0 0กบาทนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่นี้เมื่อเราเข้าไปกราบคารวะหลวงปู่เมื่อวานนีพระทั้งหรูปนะมหเทเรปรมาเทนะข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังองหลวงปู่ด้วยกายวาจาใจอันนี้คือเป็นประเพณีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่เราจะต้องไปกราบไปคารวะครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษาที่เป็นที่รักเคารพของพวกเรา จากนั้ น, นท่านก็ให้พรโอ้วยพรจบน้ำบาบาเนะห่างคามามิตุมเฮปีเมฆคำมามิตะบังท่านพูดจบเลยก็จยะถาวาริวาหาให้ศิ์ให้ใหพรครบถ้วนบริบูรณ์แสดงว่าหลวงปู่ของเราเนี่ยสมบูรณ์ในความจำของท่านเสร็จแล้ว ท, ท่านก็ท่านวอกโอ้มันลูกมันไขมันมันออกท่านว่าไงนะ กลางคืนก่อนนี่ยออกอยู่เช็ดอยู่ตลอดนะเออมันโรควันไหนมันจะตายทำท่านกันบบดอย่างนั้นลหละหลวงพ่อก็เลยโอ้ยอย่าพึ่งไปง่ายแล้หลวงปู่นะเอาร้อยยี่สิบปีให้เจดีเสร็จซะก่อนท่านก็ยิ้มนะให้เจดีลูกหลานที่สร้างขึ้นมาเสร็จซะก่อนฉลองเจดีสซะกอ่อนจะปู่หลวงปู่จะไปยังค่อยว่ากัน เดี๋ยวนกราบระตนานหลวงปู่เนอะท่านก็ยิ้มท่านก็ถามว่าเป็นไงได้ไปดูเจดีบ้านตาัดไหมท่านก็ยังไม่ลืมนะหลวงพ่อก็เลยกราบท่านกับพีพระอยู่สององค์ที่เป็นลูกศิษย์อยู่ใกล้กับมีพระลูกน้องของหลวงพ่อเนี่ยไปด้วยห้าหกองอยู่ข้างในนะหลวงพ่อก็บอกว่าเรื่องเจดีของวัดวัดป่าบ้านตาดกับผมไม่ได้ไปกับผม แต่ก็คงเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสนั่นแหละพระอาจารย์สุดใจนั่นแหะเป็นผู้เป็นผู้ดูแลเอาอยัางไงกระพร้อมกับคณะทา ญ, ญาทโยมชาวบ้านตาดนี่แหละเขาจะเอาอยัางไงผมเป็นสิทธิ์หรืว่เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสกระผมก็ ม, มีแต่อยู่ข้างนอกนี่แหละไม่ได้ไปกระผมในช่วงนี้ท่านก็บอกเออผมก็ไปนู่นละ่ะไปแต่สมัย บุญพทายเข้าเปลือกนั่นแหละจากนั้นก็ไม่เคยไปอีกเลยสุขภาพมันไม่ดีผมก็เลยไม่ได้ไปท่านก็พูดอย่างนั้นะจากนั้นเราก็เออไม่อยากจะรบกวนท่านมากเราก็เออทางท่านก็ท่านก็พูดอะไรออบ้างเราก็นั่งฟังท่านหน่อยหนึง่งจากนั้นเราก็เลยกราบประรันากราบปลาท่าน กับหลวงปู่กับผมขอากราบลาแล้วไม่รบกวนหลวงปู่มากแล้วครับผมเออเอาเหรียญมาให้ไหมเนี่ยท่านก็เลยเอาเหรียญและลูกของท่านมาให้แล้วก็เหรียญของท่านมาให้ท่านบอกมันน้อยไปนะท่านว่าเอามาให้อีกพ้าก็เลยเอามาให้ใหเป็นลังเลยลนะ่ะเนาก็เราก็กัผมเราจะเอาไปแจกลูกแจกหลานทางโน้นกับผม พระก็เลยเอามาให้เป็นหลังฮะอหลวงพ่อจะได้เอามาแจกพวกเราเนี่ยนะลวกหลวงปู่อนุญาตหลวงปู่ให้มานะลูกหลานนะเี่เอาไปกราบไปไหว้ลำดึกถึงองค์หลวงปู่หลวงปู่ลีนะจากนั้นมาก็หลวงพ่อออกมานั่งข้างนอกอพระท่านศักด์ก็เลยมาหาอีกเรื่องเจดีย์ของหลวงปู่คงไม่มีปัญหาอะไรครับหลวงพ่อก็เลยถามว่าเออเป็นไงเจดีย์พระแดงของเราเนี่ย จวนจะเสร็จหรือยังท่านอาจารย์ไม่ขึ้นไปดูเหรอหลวงพ่อก็บอกพุทธะถ้าเสร็จเมื่อไหร่เมื่อนั้นหลวงพ่อจะคงจะขึ้นไปฉลองมาฉลองด้วยนะเนาะแตะบอกเผาข้าวก่อนขึ้นไปดูแล้วต้นนั่นสร้างไปเรื่อยออแล้วก็ค่าใช้จ่ายเออหมดไปเท่าไหรล่ล่ะเอสักหมดไปสองร้อย 28ล้านอ่ี่บล้านกว่ากว่าที่ที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนะออีกนานไม่จะเสร็จเราก็ถามาโอ้คงจะเวลานานา น, นะท่านอาจารย์ประมาณสักห้ารอยล้านจะเสร็จได้ไหมสักไม่หรอกผมว่านะเพราะว่าเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วอ่คงการตกแต่งภายในก็คงจะใช้วัสดุดีมันจึงจะเหมาะสมไม่ใช่ว่า สร้างเสร็จขึ้นมาเราจะทาสีเอาเลยคงจะไม่ใช่อย่างนั้นเขาคงจะได้ใช้เงินอีกมากพอสมควรครับพระอาจารย์ อ, อือใช่คือเอาสร้างไปเถอะนะช่วยๆกันดูกันเนะช่วยๆกันดูแลหลวงปู่เนะน้องหนุ่งทางไลเนอะเมื่อมีโอกาสผมจะเข้ามากาบคารวะท่านอีกเมื่อมีโอกาสนะจากนั้นหลวงพ่อก็เลยออกจากผ้าแดงจากนั้นก็ไป มาไปบอกโซเฟอร์ไปทำกองเพลงแต่รู้ว่าหลวงปู่บุญเพงเดี๋ยวนี่ท่านจําพรรษาอยู่ที่ท่านอยู่ที่โรงพยาบาลท่านอาพาธโรงพยาบาลศรีนครินก็ได้ไปกราบคารวะท่านอยู่เมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาที่หลวงพ่อได้พูไดไ้ฟังว่าไปยกพระราชบิากับพระรา ช, ชนีให้สูงขึ้นที่หน้า ตึกโรงพยาบาลศรีนครินในวันนั้นก็เลยถือโอกาสไปกราบครูบาอาจารย์ที่โรงพยาบาลศรีนครินชั้น10นะตึกสมเด็จญาตมีหลวงปู่เพงหลวงปู่สิงทองหลวงปู่วิไลหลวงปู on, ่ไดมิทิวศีองค์แต่หลวงปู่ทวยยังไม่เข้านะหลวงปูท่ทวยเข้าที่หลังนะ อย่างนั้นหลวงพอขึ้นไปกราบก็รู้อยู่แล้วว่าท่านอยู่ที่สีนครินแต่หลวงพ่อไปท่ามคงเพนไปเพื่อไปกราบครวะเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่ขาวนะพอลงไปกลงพ่อไปทุกปีทาใจะไปแถบนั้นแล้วก็เข้าไปกราบครวะรูปของท่านรูปเหมือนของท่านพระเจดีของท่านอัฐิพระธาตุของท่านหลวงปู่ขาว เจแล้วก็ขึ้นไปกราบยุธรรมกองเพนพอไปเห็นแล้วก็อื้อก็คนก็ยังมีอยู่นะยังเห็นรถตู้รถไลพันผ่านไปอยู่แต่ละวันก็ไม่เปนอย่างพวกเราเนะี่ยไปคนนั้นไปคนนี้ไปวกคุณเวียนกันไปไปกราบคารวะนะกลับมาถึงวัดเมือม่อวานก็ค่ำก็จะทราบข่าวจากคุณโยมทางกรุงเทพลุกศิษย์ลุก ลูกหาหลวงปู่ทวีอีกหลวงปู่ทุยท่านออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันจันทร์วันนี้วันอังคารวันวันจันทร์นะครับวันพุธนะวันนี้เป็นวันพุธแล้วเนี่ยท่านออกเมื่อวันจันทร์ทุกอย่างเรียบร้อยอความดันเบาหวานอะไรไม่มีผ่าตัดกรงมือ อ, อาจารย์าศาสตราจารย์ในแพทย์ชูชายโรงพยาบาลศรีลาช มาพาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินเน่ยท่านอุตสาบินขึ้นมาเลยมาทาถวายองค์หลวงปู่เออมือมือชั้นหนึ่งของประเทศอ่ะที่ท่านมาทําให้ผ่าตัดให้หลวงปู่ทุยแต่หลวงพ่อก็ยังคิดอยู่ว่าแต่หลวงขณะที่หลวงปู่ทวยท่านอยู่ที่นั่นหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปกราบนะเออเดียไปกราบก่อนที่อยู่ที่วัดไปกราบก่อนก่อนที่จะฉันท่านจะไป แต่ไปอยู่ที่โรจพยาบหลวงพ่อไม่ได้ไปเพราะมันคงไปเขคงจะมาหลุมมาตุ่มคงคนคงมากนะหลวงพ่อเขาไม่ไไปแต่ว่าคิดว่าเมื่อท่านกลับมาแล้วนะหลวงพ่อเขาคงจะไปกราบคารวะท่านอีกรอบหนึ่งไปถามไทยความเรียบร้อยไปถามกราบคารวะท่านนะแต่จะเป็นวันไหนหลวงพ่อก็ยังคิดอยู่ในใจเหมือนกันและหลวงพ่อดูดูแล้วก็ ท่านถามหลวงปู่หลีท่านถามเรื่องเจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาไปถึงไหนท่านได้เข้าไปดูไหมเนะีหลวงพ่อก็บอกไม่ได้เข้าไปเหมาะไหลวงพ่อสุดใจตามไม่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหล ะ, ะเพราะว่าวัดป่าบ้านตาดมันไม่ใช่วัดหลวงพ่ออินมันไม่ใช่วัดของผู้ใดใครเป็นวัดหลวงพ่อสุดใจหลวงพ่อสุดใจก็ได้รับพินัยกรรมจากหลวงตาเป็นให้เป็นผู้ดูแล ถือทอดจากองค์หลวงตาเป็นผู้จัดการมรดกนะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมก็เป็นของชาวบ้านตาดท่านจุดใจกับชาวบ้านตาดเท่า น, นั้นแหละจะเป็นผู้ตัดสินใจเอาอย่างไรพนระองค์อื่นจะเข้าไปก้าวไกรนั้นล้วนแล้วจะเป็นก้าวกายทั้งนั้นในความคิดหลวงพ่อนะเพราะว่าบ้านตาดใครผมบอกผมมาอยู่ก่อนที่ว่าหลวงพ่ออินไปอยู่ก่อน ใครไปอยู่ก่อนแต่ลุงพ่อจุใจมาอยู่หลังหลวงพ่อนะหลวงพ่อไปอยู่ก่อนแต่หลวงพ่อเจวเขาหาว่าหลวงพ่อไปอยู่ก่อนก็ไม่น่าถูกอีกเหมือนกันเพราะชาวบ้านตากเขาตั้งบ้านตากอยู่นั่นอย่างนายนาคเนี่ยนายนาคก็เป็นลูกเขยพ้องผู้ใหญ่ก้อนผู้ใหญ่ก้อนก็เป็นผู้ถวายวัดป่าบ้านตากส่วนหนึ่งเป็นลูกเขยคนจุดท้องของผู้ใหญ่ก้อนทิศพศ พ่อทิดนาค์ถวายที่ดินอีกช่วงหนึ่งกับนายเทียมก็เป็นลูกเขยพ่อใหญ่พ่อสารวัตรก็ถวายหลงตาอีกข้างหนึ่งสรุปแล้วก็คื อ, คอสองคนในถวายที่ดินวัดป่าบ้านตาดเพราะฉะนั้นใครจะไปบอกว่าข้ามาอยู่ก่อนข้ามาอยู่ที่หลังเ่พวกเขามาอยู่ตั้งแต่เขาถวายมาแล้วอาจากนั้นอย่างครูหมึกอย่างเาพ่อใหญ่ผู้กองเทียบ ก็เป็นพ่อตาเป็นคุณตาของเขาเป็นพ่อของแม่เขาคุณนายเรียบคุณปกกองเทียบก็เป็นเพื่อนของหลวงตาเอกเป็นวัยแยบวจกรของวัดตั้งแต่ลิเริมเพราะนั้นเราจะไปหาว่าใครไปโองก่อนไม่ได้พวกเขานะั่นอยู่กับพื้นเพของวัดป่าบ้านตาดหลังจากนั้นก็พวกลูกหลานลงตาอย่างพ่อใหญ่สงค์าำพ่อใหญ่ไหมพ่อใหญ่เบี้ยว ลูกหลานของหลวงตามีตังเยอะแยะไปนายชูนะเนี่ยแหะอันนี้ก็คือคนบ้านตาดคนบ้านตาดต้องการอะไรกับสมภารถ้าสมภารไม่เอาถ้าชาวบ้านเขาอยากจะเอาอยากจะสร้งางอจะดีบูชาพระคุณหลวงตานะถ้าสมภารไม่เอาสมภารก็ลําบากใหญ่เหมือนกันนะเพราะหลไรเพราะชาวบ้านเขาต้องการถ้าว่าชา่องพานชาวบ้านสมภาร เอาแต่ชาวบ้านไม่เอานะาก็ต่างคนก็ต่างไม่สบายใจด้วยกันอีกเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยที่สมผานท่านก็เอานะาชาวบ้านเขาก็เอาแต่หลวงพ่อก็บอกว่ า, าขนาดเบื้องบนทูลกระหม่อมท่านมาวางซีดธเลิกให้แล้วท่านก็จะสร้างเจดีย์สร้างเพื่อบูชาพระคุณหลวงต า, าบูชาพระคุณหลวงตาอยู่แล้ว จะได้จะหาได้ที่ไหนฟ้ามาประทานาแล้วก็สร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ถวายถ้าว่าพี่น้องประชาชนชาวบ้านทั้งหลายาไม่น้อมรับที่ท่านประธานมาให้ขนาดนั้นหลวงพ่อจะว่ายังไงถ้าจะว่ า, าพูดอีก ถ้าจะว่ารุนแรงเกินไปมันก็ไม่อยากจะพูดอีกเหมือนกันแปลว่าขาดตกบกพร่องที่เดียวพูดอย่างนั้นได้ไม่น่าจะขาดตกบกพร่องพวกเราน่าจะน้อมรับมันจึงจะถูกต้องเพราะการสร้างขึ้นมาตรงนั้นก็ไม่ใช่จะเบียดเบียนไม่ใช่เสียปฏิปทาขององค์หลวงตาเพราะอยู่หน้าวัดเป็นพุทธาวาดอยู่หน้าวัด สังคาวาดก็อยู่ข้างในเราพร้อมที่จะปรับปรุงได้ที่วัดป่าบัดตาดนะแต่ไปเห็นอย่างอย่างไปท่ถ้ำกองเพลนเมื่อวานเมื่อวานนี้นั่งรถไปหลวงพ่อก็ด้ปลารบกับพระตาไม่จริงนะเจดีของหลวงปูเ่เป็นที่เคารพสักการะ ก, ก็จริงอยู่แต่ผ่านกลางวัดมาอยู่หลังวัดก็มีปัญหาอยู่ก่อนนะตะก่กอน บางทีพวกชายหนุ่มพวกชายหนุ่มหญิงสาวทั้งหลายเข้ามากราบแล้วกันนะออกมาป้วนเปี้ยนจับคู่กันเดินเที่ยววัดทั้งกลางวัดเพราะมันวัดเจดีย์มันอยู่อยู่ซ่อนวัดเ่ยอยู่สุ ด, นะสดวัดไม่ดีนี่แหละตรงนี้ไม่ดีถ้าพระเจดีย์ต้องอยู่หน้าวัดพอคนมากราบหน้าวัดก็ไปเลย ที่หลังวัดให้เป็นสถานที่ภาวนาของพระสงฆ์หลีกเล่นหาความสงบหลวงพ่อเห็นด้วยแต่นี่หลวงพ่อจะทำยังไงได้ล่ะมันดูดูแล้วก็เจดีอยู่หลังวัดกลางวัดแล้วก็พระอยู่ทั้งสองข้างศรัทธาญาติโยมลูกหลานบางคนก็รู้จักภาษาความรู้จักความบ้างบางทวงมาเที่ยวมาเตรมาหากินข้าวปาบ้างอะไรบ้างเสียงสนัน้น เดินออกมาคุยกันจับคู่คุยกันอะไรลักษณะอย่างนั้นนะมันดูแล้วมันไม่เหมาะนะถ้าอยู่ทั้งหน้าวัดจะดีกว่านะ น, นี้ลุงพ่อก็ได้พูดเมื่อวานแต่ถ้าพลุงพ่อก็อเคยพูดเจดีย์ของหลวงปู่ล่าก็เหมือนกันเสนอสถานที่สร้างเจดีย์หลวงปู่ล่าหลวงพ่อก็น่าจะไปสร้างตรงนั้นนะให้มันหลบหลบเหลีกๆสักหน่อยออมาสร้างตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวพระอยู่ไม่ได้เด้ พอซาลาก็อยู่ตรงนี้กุฏิหลวงปู่ก็อยู่ตรงนี้ที่ชั้นน้าของพระก็อยู่ตรงนี้ถ้าคนมาต่อไปมากราบพระเจดีย์ของหลวงปูล่ล่าจะทำให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ควรจะมีไม่ควรจะอยู่ตรงนี้แต่มติก็เลยเอ า, เอ า, เอาตรงนี้ก็ไม่ว่ากันตรงพอก็ไม่ว่าแต่กอ็อย่างนั้นจริงๆ อพระอยู่แถวนั้นไม่ได้เลยตอนี้เวลาคู่ขนเขามาพระก็จะเจิญไปอยู่ทางอื่นหลบไปอยู่ทางอื่นหมดน่ากลางเวลากลางวันเพราะอะไรเพราะคนมันขึ้นมามากราบต้ก็เพี่นผ่านวุ่นวายแถวนั้นจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมละ่ะนี่แหละหลวงพ่อมาพิจารณาดูแล้วนะในความคิดของหลวงพ่อมันไม่พลาดนะอ แต่เราสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเกิดเพื่อให้คนกราบคนไหว้อย่าง D, เจดีหลวงปู่ลีควกเหมือนกันสร้างมาเพื่ออะไรไม่ใช่สร้างขึ้นมาแล้วเออพวกเราตายไปแล้วพวกเราให้มาเฝ้าอยู่บนเจดีนี่นอะนะคงจะไปคิดอย่างนั้นอีกเหมือนกันพอสร้างเสร็จแล้วกว็ต่างคนก็ต่างไปสวรรค์นิพพานของใครของเราเแล้วกเ็เมื่อสร้างเสร็จแล้วนะ เพื่อจะให้คู่คนมากราบมาไหว่อย่างเจดีหลวงปู่ขาวก็เหมือนกันให้คนไปกราบไปไหว้เจดีของพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาก็เหมือนกันเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ให้คนมาศึกษามากราบมาไหว้มาอ่านพิพิธภัณฑ์ความผลงานของหลวงตาเป็นอย่างไรอันนี้เราก็เขาคงจะสร้างลักษณะอย่างนั้นอย่างดงสีีจงพูก็เถอดนะรงศรีจงพูหลงพ่อไปเห็ น, นที่ีหลวงปู่ทุย ท่านก็สร้างหลักหินขึ้นมาเนะี่สีดำหมดไปตั้งเท่าไหร่สสิบกว่าล้านเหมือนกันนะหลายต้นนะให้คนไปศึกษาด้านนึ่งก็เป็นคำธรรมเทศนาของหลวงตาบ้างของเจ้าคุณอุบาลีบ้างของหลวงปู่ต่างๆอยู่ในนั้นในหลักหินศิลาจารึกนะท่านเขียนไว้เพื่อให้ใครให้เทวดาอ่านใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็เพื่อให้คนไปอ่านเหมือนกัน ถ้าจะว่าคนคำนี้เนะี่ยมันต้องขลนปนเปกันมากมายหลายอย่างถ้าไม่ทนะําเจะเลยอันนั้นนะ่ยจะถูกกว่าเมื่อทําขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อให้คนมากราบมาไหว้เขารบสักการะเขามาอ่านเป็นกติธรรมนี่แหละสรุปแล้วก็คือสร้างมาให้เพื่อคนต่ออนุชนรุ่นหลังต่อไปภายภาคหนาทั้งนั้นแหละไม่ใช่สร้างขึ้นมาแล้วก็ เออทิ้งว่าเฉยเฉยไม่ใช่แต่หลวงพ่อไปอ่านไปดูแล้วแต่หลวงพ่อยังไม่ได้ไปดูอีกรอบสองนะแต่ไปดูขราวเนี่ยไปอาจจะไปดูดูที่หลวงปู่ทุยท่านตั้งสีลาลึกหลักสีลาจ่าลึกไวนะ้น่ะไว้ทางหน้าวัดของท่านห่างวัดประมาณสักสองสามร้อยเมตรมัง้งแต่หลวงพ่อท่าน ใครก็ตามมาตากแดดอ่านหนังสือน่ยแสดงว่าเป็นผู้มีอุตสาหะวิริยะจริงๆแสดงว่ามาตอนเช้าก็ได้อ่านนะมาตอนเย็นคงจะได้อ่านแต่มาตอนกลางวันเนี่ยคงอ่านไม่ได้มันร้อนนะแต่ตามไม่จริงน่าจะมีแต่ละต้นแต่ละต้นเสาหินเน่ยมันน่าจะมีที่มุงเป็นธรรมุงยืนได้สักสามสี่คนพวกได้ยืนอ่านอติธรรม ของครูบาอาจารย์เคงจะเกิดประโยชน์แต่มันอ่านตากแดดอ่านในหลวงพอ่อโอ้ใครๆก็ไม่สู้เหมือนกันนั่นแหละมันร้อนนะนี่แหละอันนี้ก็คือทําขึ้นมากับเพื่ออะไระเพื่อให้คนได้ศึกษาได้อ่านธรรมะอย่างน้อยผู้มีอุปนิสัยก็จะได้อ่านแล้วก็นําไปประพฤติธปฏิบัติเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาที่จะสร้างที่วัดป่าบ้านตากกับลักษณะนั้นล่ะคณะสัตยาญาิโยมโลกูกหลาน อันนี้หลวงพ่อได้ไปกราบพระละวาดหลวงปู่ลีเมื่อวานนีหลวงพ่อก็เลยได้แนวความคิดหลากหลายมาบอกกล่าวให้กับคณะทา ญ, ญาทโยมลูกหลานได้ฟังวันนี้ก็หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งเหมือนกันนะหลวงพ่อเนี่ยมีหลายแนวความคิดนะจะคิดในแง่มุมใดแนวเมือเอ้อบรักษาปฏิปทาของครูบาอาจารย์หรือแนวความคิด ปลูกฝังอุปนิสัยลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าหรือเราจะคิดแนวการเชิดชูบูชาพระคุณหลวงตาหรือเราจะแนวคิดถ้าทําออกไปแล้วมันจะเสียหายมันได้ประโยชน์หรือมันเสียหายอย่างไรเราตอนี้ต้องมาคุยกันมาชั่งน้ําหนักใส่กันถ้าจริงหนที่มันเกิดประโยชน์มากกว่าก็ดีมันเกิดประโยชน์ในปัจจุบันหรือเกิดประโยชน์ในอนาคต ถ้าเกิดในประโยชน์ในปัจจุบันปัจจุบันดีไหม อ, านาอนาคตดีไหมถ้าปัจจุบันเสียหายอนาคตดีเราก็ต้องมาเสี่ยงอีกออต้องมาเสี่ยงอีกว่าอนาคตปัจจุบันเนี่ยเราจะหลบเลี่ยงลบหลบเลีกเลีกเลี่ยงยังไงไมาเห็นคนเข้าไปเกี่ยวข้องในปัจจุบันแบ่งเขตกันอย่างไร สิ่งเหล่านี้มันก็สุดแท้เจตสติปัญญาของพวกเราตหาหัวใครไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาแล้วจะไปอยู่ทำไมในจุดนั้นแผ่นดินเมืองไทยมันไม่ใช่แคบมันกว้างยิ่งกว่าอะไรไปหลบอยู่แถวน้น้นแถวห้วยขาแข่งก็ยังได้ไปอยู่ที่ไหนไปหาหนบหลีกภาวนาอยู่ที่ไหนก็ได้ไปอยู่ทาไมไปอยู่ทูซีอยู่ทาไมไม่ ไปขัดขวางกันถ้าหลวงพ่อไม่พอใจวัดป่านะคำน้อยนะหลวงพ่อก็จะเพ่นหนีเหมือนกันนะพ่อเมืองไทยมันไม่ไม่ใช่แคบนะมันกว้างยิ่งกว่าอะไรไปอยู่ทางภาคเหนือก็ได้ไปอยู่ทางภาคตะวันออกก็ได้ไปฮามุดอยู่ในป่าโรงพงไพ่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้ mm hmm. พ่อเราไม่พอใจใช่ไหมล่ะอันนี้ถ้าหลวงพ่ออินพอใจอยู่ที่นี่หลวงพ่อก็จะอยู่ที่นี่เลยปลุกให้ลูกให้หลานฟังทุกวี่ทุกวันอย่างนี้แหละนะอตอนนี้ไปรับพรในที่นี้นะ